นางอัมพาปาลีก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นเจ้าข้าข้าแต่ลูกข่านหรือลูกเจ้าเนี่ยนะหม่อมฉันได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุษสงฆ์รับพัตตาหารสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้แล้วเจ้าลิชวีทั้งหลายก็บอกว่านี่เนี่ยแม่อัมพาปาลีโปรดยกพัตตาหารมือนี้ให้แก่เราด้วยข้าแสนหนึ่งเถอแะแม่ขอเลยน ะ, ะให้แสนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอทาบุญแทนได้ไหม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 ดังนั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายต่างก็ใส่องค์คุลีก็คือสายนิ้วอนะว่าท่านผู้เจริญเอ้ยพวกเราเนี่ยแพ้แพ้นางอัมพปาลีหญิงคณิกาเสียแล้วเนี่ยนะแม้แพ้ใครไม่แพ้แพ้หญิงงามเมืองว่างั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเรานี่ถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแล้วเนี่ยนะแม้เจ้าลิชวีรู้สึกแพ้โสเพณีเนี่ยม้มันเครียดเลยนะดังนั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปยังอัมพปาลีวัน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 ถ้าเป็นที่อื่นนะดูกราพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะเธอทั้งหลายจงสํารวมจักรสุเถิดเถินะอย่าถือเอารูปด้วยพิชาและโทมนัสจงสํารวมโสดจงสํารวมคานาชิวหากายะและสํารวมใจเถิดเป็นต้นเนี่ยมีแต่สอนให้สังวรไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่สูตรนี้กลับบอกเนี่ยดูซิไม่เคยเห็นดาวาดึงเนี่ยก็ดูกษัตริย์เหล่านี้แล้วกันแปลว่าเพราะพระองค์ต้องการให้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 กนะ็เรียกว่าต้องการปลอบประโลมคล้ายๆกับแสดงอะไรนะอนุปุพิกถาใช่ไหมอนุปุพิกฐานี่ก็จะแสดงศักขะคถากล่าวถึงสวรรค์ด้วยก็แสดงอนุปุพิกถานั่นเองที่เรียกว่าเป็นการตลอบประโลมเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดอุตสาหะในสมณธรรมจะได้มีอุตสาหะปฏิบัติในอธิศีนอธิจิตและอธิอธปัญญาว่าเมื่อพิกษุกระทำสมณธรรมด้วยความไม่ประมาท การได้อิสริยสมบัติเห็นปานนี้ได้ง่ายแล้วเอาสวรรค์มาล่อเนีน่ยนะถ้าเธอประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะสมบัติแบบนี้เธอได้ไม่ยากหรอกอั น, นะัอย่าขี้เกียจในการเจริญสมณธรรมเลยเหาือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งอนิจจลักษณะเคยกว่าต่อประกาศความไม่เที่ยงเอา้าไม่เที่ยงยังไงตอนนี้ก็สวยงามกันหมดก็ความจริงอีกไม่นานเจ้าลิชวีทั้งหมดจกถึงความพินาศ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 ยุแยกเนี่ยนะให้เมืองภัยาลีเนี่ยแตกเป็นเสียงเสียงเสร็จแล้วก็ให้พระชาชนชาติสตรูยกกองทัพไปตีแตกทําลายเรียบเลยว่าไงทีที่พระองค์ชี้ให้พระพิสุทั้งหลายดูนะดูสมบัติของเจ้าลิชวีทั้งหลายเราจะเห็นว่าอีกไม่นานาสมบัติเหล่านี้ก็จะถึงความแตกแยกถึงความพินาศครั้นพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งอนิจจาลักษณะด้วยพุทธประสงค์ละว่าง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 อันนี้แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์นั้นบอกว่าดูนะดูกษัตริย์ฤชวีเอาไว้เหมือนกับพวกเทพชั้นดาวดึงในที่สุดนะเทพเหมือนเทพเหล่านั้นก็อะไรตายเรียบเลยนะเพราะถูกอะไรถูกกษัตริย์ฤาษถูกพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตามนะเข็นฆ่าหมด อ, อะต่อไปว่าครั้งนั้นแหลนางอัมพปาลีคณิกาเนี่ยนะ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 พอได้เวลาก็กราบทูลเวลาหรือพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงนันะทรงถือบาทและจีวรเวลาเช้าพร้อมด้วยพระพิสุสงเสเด็จเข้าไปยังที่อยู่ของนางอัมพปาลีหญิงคณิกาครั้นแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดเอาไว้ครั้งนั้นแลนางอัมพปาลีคณิกา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 ศิขาในพระศาสนาก็นับว่าบุคคลทั้งหลายสมัยนั้นเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้วองก็วางพระหัตถ์ลงจากบาศแล้วนางอัมพปาลีคณิกาก็ถือเอาอาสนะต่ำข้างอยู่ณด้านหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหม่อมฉันขอถวายอารามนี้แด่ภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระเจ้าข่า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 กูตาคารศาลาป่ามหาวันได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ณอัมพปาลีวันใกล้พระนครเวสาลีนั้นตอนนั้นพระองค์ก็ทําธรรมีคาถานี้แลเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายว่าศีลมีอยู่ด้วยประการชนีสมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี ศีลก็คือจัตรูปาริสุทธิศีลนะ น, นะสมาธิก็หมายถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็คือกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาแล้วก็มัคคปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นมัคคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก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 อานนะการเจริญปัญญาอย่างดีก็เป็นเหตุให้จิตนี่หลุดพ้นจากอาสุหะทั้งหลายพัะในพระพุทธศาสนานั้นจึงสอนศิกขาสามประการเนี่ยนะสิกขาทั้งสามเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เกิดการตรัสรู้อริยมรรคอริ ย, รรยรผลทั้งหลายผู้ที่เจริญอริยมรรคทั้งหลายก็หลุดพ้นจากอะไรกา ม, มาสวหะพวาสวะและอวิชชาสวะคือ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 พระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอนุนว่ามาเถิดอนุนเราจะเข้าไปยังหมู่บ้านเวลุวะคามกันเถิดนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากในสมัยนั้นท่านพานอนุ์ก็ทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค้าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่เสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านเวลุวะคามนั้นได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะหมู่บ้านเวลุวะคามนั้น นี่ก็แสดงว่าถึงช่วงเวลาใกล้จะเข้าพรรษาพอดีเกือบจะเข้าพรรษาสุดท้ายนะพรรษาที่เท่าไร่พรรษาที่45เนี่ยนะอันนี้พรรษาเนี่ยจะเป็นพรรษาที่45ของพระพุทธเจ้าก็คือพรรษานี้เป็นพรรษาสุดท้ายเนี่ยนะก่อนเข้าพรรษาสุดท้ายของชีวิตนะว่าในหมู่บ้านเวลุวะคามนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพี่สูตทั้งหลายว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลาย